ข้อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปพิยานกำลังนำเสนอสั ม, มปทานสี่ในสองข้อหลังคือส่วนที่เป็นภาวนาประทานเพลี่ยนพยายามเจริญกุศลคือเพิ่มพูนกุศลความดีให้บังเกิดขึ้นไปในจิตสันดาน แล้วนรัคนาประทานก็เพียนพยายามรักษากุศลความดีเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เสือ่อมซึ่งก็เป็นหลักการปฏิบัติในธรรมะกลุ่มของอริยมรรคคือหมายความว่ากุศลส่วนเหตุทั้งหลายนั้นเราจะจับข้อไหนขึ้นมาก็ได้แต่ในที่นี้ก็ใครจะนำธรรมะที่ึ่งศึกษากันในระดับนักชัฒนตรี จะเป็นธรรมะที่ปรากฏแพร่หลายในเอกสารต่างๆทางพระพุทธศาสนาโดยนำมาเกาะกลุ่มกันในกลุ่มแรกนั้นคือธรรมะที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีก็ได้กล่าวมาแล้วสองข้อคือทมที่มีอุปการะมากได้แก่สติสัมปชัญญะและทมที่บุคคลให้งดงาม เป็นสากลก็คือคันติและโซร จ, จักคันติคือความบดกัน้นความอดทนความทนทานความ ส, มสงบเงียบจนถึงมีความแช่มชื่นเบิกบานปรากฏอยู่ภายในจิตแม้จะมีแรงกระทบกระแทกกระทันมาจากข้างนอกก็าสาัยความบดขั้นความอดทนความทนทานไม่หวั่นไหวหไปตับ ไปกับอารมณ์ที่มากระทบกระแทกกระทุ้งเหรานน่นในข้อต่อไปนั้นเป็นธรรมะอีกชุดหนึ่งที่ทรงใช้คำว่า น, นาถากรณธรรมคือธรรมะอันเป็นที่พึ่งทำนักได้ทรงแสดงไว้ในตอนต้นของพระสูตรเป็นใจความว่าพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่งเลย เราความสงสารพวกเธอทั้งหลายเราจึงกล่าวเน้นให้พวกเธอทั้งหลายอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่งแล้วก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงมีตนที่พึ่งและจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าเป็นบุคคลอนาถาคืออยู่โดยไม่มีที่พึ่งเลยแน่นอนสมบวรเป็นภาษาบาลี แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาที่มีอยู่ภายในประเทศไทยของพระพุทธเจ้าที่ต้องการกระตุ้นเตือนให้คนอยู่อย่างมีหลักในการครองชีวิต ร, ราหลักจริงๆก็คืออัตถิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ว่าตนนี้ที่จะสามารถเป็นที่พึ่งของตนได้นั้นตนจะต้องมีธรรมะ คือบุคคลแต่ละคนนั้นจะต้องมีพื้นฐานทางคุณธรรมอยู่ภายในใจเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภยัยปลอดเวรปลอดอันตรายสามารถจะกระจัดอุปสรรคภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของตนได้ทรงแสดงไว้โดยกอนข้าวิจิตพิสดารนะฮะในนาถการธรรมสูตร จะนำเสนอในที่นี้ก็คงสักสองสามครั้งเพราะว่าหัวข้อธรรมมากแล้วก็มีนัยยะมากซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติพัฒนาตัวเองตามปกติแล้วเราไม่เคยพบบ่อยนะฮะในแนวที่เรียงอย่างนี้เห็นว่าเรียงบุญญากริยาวัตถุก็เรียงฐานศีลภาวนาหรือเรียงกุศลกำาบดสิท10 มันก็เรียงที่ศีลมาเป็นพื้นฐานเกอปาณาติบาตโดยเรียงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาประเภทรัตนะคืออุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็เริ่มที่ศรัทธาแต่นาถาราธรรมในที่นี้ทรงเน้นไปที่การมีศีลศีลนั้นเป็นกุศลแลเจตนาเกิดขึ้นจากการสารวมระวังการงดเว้นการไม่ล่วงละเมิด การควบคุมอาการทางกายทางวาจาของตนเอาไว้ให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็มีความประนีตขึ้นไปโดยลําดับซึงเราถ้าเราจะกล่าวโดยเนื้อหาว่าในการปฏิบัติของผู้มีศีลนั้น เพื่อสำรวมระวังตามบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ตามสถานะของผู้ที่สมาทานศีล น, นั้นๆคนทั่วไปจะมักจะสมาทานศีลเพียงห้าข้อนานๆเราจะพบคนสมาทานศีลแปดศีนุบสถสักครั้งหนึ่งโนวันแม่แห่งชาติ ที่แล้วมาเนี่ยได้รับการรัตนาไปบรรยายกลุ่มที่ทางสามพรานปรากฏระยะโดมก็แต่งชุดขาวล้วก็แต่งชุดสีกลับเวลาเขาอารตนาสีเนื่องจากวันเป็นวันธรรมสุนะก็สงสัยว่าทำไมอารัตนาสีแปด ประสินแปเป็นข้อผูกพันสูงนะฮะคือหมายความว่าไม่ใช่รับวันหนึ่งก็คืนเนี่ยก็เป็นการรักษาตลอดไปเพียงแต่ว่าไม่ใช้คำว่านิตย์ศีลคือตามปกติเวลาเราให้ศีลในวันธรรมสวรรเนี่ยไม่ว่าทิวัดใดก็าตามนะคือตอนขอศีลนี่เสียงจะดัง แล้วก็รับมาจนถึงข้อสุรานะฮะพอครึ่งข้อวิกาเนี่ยเสียงจะหายไปกว่าครึ่งในวันนั้นปรากฏว่าเสียงเสมอตลอดแล้วก็อัานไปมองญาติโยมก็รู้สึกว่าตั้งใจมาเพื่อจะรักษาศสีลงแปดแล้วก็รักษาในลักษณะที่ต่อเนื่องจะมีการอธิบายชี้แจง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตามนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งน่าอุทนาชื่นชมก็ยญาตโยมดอกนั้นสีที่จริงมันเกิดจากความสำนึกสำเนียกของคนที่มีจิตสำนึกที่ดีงามพอสมควรก็ตามปกติแล้วเรื่องของสีนี่เราคิดเอาได้ คิดในลักษณะอัตาหนางังอุปมังกตวา่าก็ทำตนเป็นอุปมาได้เทียบเคียงได้บรการฏิบัดนใดก็ตามที่เราไม่ต้องการให้ใครทำต่อเราเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครทำต่อเขาเหมือนกันแม้ชีวิตของสัตว์ดิบฉาญก็จะมีลักษณะอย่างนั้น มันก่อนแน่อธิบายวิชาการในทางแพทย์แล้วก็สาธิตออกมาเป็นภาพนะครับว่าแม้แต่ทารกในครรภ์ซึ่ง ร, รูปร่างกายยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเวลาม ห, มหมอทำแท้งก็จะหลบก็จะหนีนะฮะก็จะดิ้นเพื่อจะหนีไยเป็นภาพที่ดูแล้วก็สรุดถูกใจ แต่ในขณะเดียวกันมันก็บ่งบอกถึงความจริงของชีวิตประสรทประชีวิตอันรักชีวิตขนุนถนอมชีวิตรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นยังไงก็าตามเขาก็รักชีวิตเขาตอนการสำรวมระวังในศีลก็คือการพัฒนาปัญญามีเหตุมีผลจนยอมรับจนยอมรับน้ำถือสถานภาพของเขาแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเขา ไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารตลอดถึงให้มีเมตตาจิตต่อตัวเองไม่มอมเมาตัวเองหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายเมื่อกอนั่งรถไปบรรยายที่วัดพระราม 9, เก้าแ้วเกิดสนใจไอ้คำว่า r c a ขึ้นมาก็ถามเด็กเข้าดู เด็กเขาเล่านะเด็กเขเคยมาเป็นอาการที่น่ากลัวนะฮะคือว่ามันพร้อมที่จะละเมิดศีล อ, อาการกริยาอาการที่แสดงออกทั้งหมดอันก็ขาดปกติภาพของความเป็นกุลบุตรกุลสิทธิดาความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนั่นก็เริ่มพูดนะฮะ เอาขนาดจะมีจิตสำนึกของกุลบุตรกุลธิดาเนี่ยก็หายากแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนโน้นนานมาแล้วนะฮะในเรื่องของศีลนี่ว่าศีลมันเกิดขึ้นจากเจตนาวิรัต์งดเว้นสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดโดยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการไม่ละเมิดในศีล สามารถบรรเทาความโลภในวัตถุสิ่งของต่างๆลงไปจากใจสามารถบรรเทาความโกรธในสิ่งมีชีวิตจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามโดยมีปัญญาเข้ากำกับยินดพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยความคิดเพียงเท่านี้ก็สามารถครองตนให้อยู่ในคันลองของศีลได้อยู่ดังนั้นศีลจึงเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่ง เราคนที่สมรวมระวังในศีนนั้นมีศีนที่รักษาดีแล้วมันก็ให้จะเดินด้วยพว ก, กสมบัติด้วยสุขสมบัติแล้วก็ด้วยนิพพา น, นสมบัติคือสามารถดับกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ในระดับต่างๆโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็เราพูดระดับศีเพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาระดับศีล ก่อนพบ ก, กับพระท่านเล่าฟังถึงวัดที่ต่างจังหวัดวันนั้นก่อสร้างด้วยเงินหลายสิบล้านนะคคงเข้าใจว่าคงรวมร้อยล้านต็เป็นวัดใหญ่มากแต่เราก็ต้องมีปัญหาในการดูแลรักษาเพระาะญาติโยมบุกรุกเข้ามาสร้างบ้านในเขตวัดจะไล่ก็ไล่ไม่ได้หรือว่าจะกั้นเขตวัด ให้เขาอยู่นอกวัดเขาวิ่งครองพื้นที่อยู่แล้วเขาอยู่ในวัดมันก็มีปัญหาแล้วเขานำพวกสัตว์ทั้งหลายพวกแพะพวกแกะทั้งหลายนี่มันเลี้ยงในวัดเลยก็เสียบรรยากาศในวัดวัดเลี้ยงหมาไว้ปรากฏว่าหมาทุกเบื่อตายหมดเลยตอนนี้พระที่ท่านดูแลที่ท่านส่งพระไปรับผิดชอบไปดูแลเนี่ย กำลังจะไปนัดพบกับญาติโจมต่อรองว่าแกเบื่อสุนัขได้เนวันหลังแกวางยาเบื่อพระได้นะคือคนยิ่ยมเกรียมรุนแรงมากขึ้นแม้แต่อาการต่างๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชบูรณ์ที่ลมสัตว์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีเกิดขึ้นที่ทางภาคเหนือ มันเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์เปิดทางให้ธรรมชาติเป็นภัยเป็นอันตรายปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่การตัดไม้ทำลายป่าการหักร้างถังพงกันทำาราลาเลื่อนลอยอยู่บนยอดภูเขาต่างๆนี่คือเรามองแล้วนี่ยมันดูดูพูดรวมๆนะฮะว่าคนก็เราไม่มีคุณภาพมันเพิ่มขึ้นยังไงก็ตามแะ มันทุกส่วนคือถ้าเราพูดว่าคนเพิ่มขึ้นมันทุกทุกส่วนของโลกคนเพิ่มขึ้นประชากรในโลกไม่ได้ลดลงแต่ทาไมภัยธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ จ, จ, จึงเจมจงมาเกิดที่บ้านเราแล้วมีข่าวแรงขึ้นทุกวันเน่ยนะรู้สึกว่าคนที่ตายไปเนี่ยจำนวนไม่ใช่ธรรมดาเลยสมมติทุกคนอยู่ในปกติภาพปกติสุข เคารพสิทธิในทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ไปลอบลักขโมยทำลายแล้วก็โยงกองกันไปโยงกองกันมาเนี่ยปัญหาสาธารณภัยในแนวนี้มันไม่ใช่ไม่เกิดหรอกแต่มันจะลดได้ประสาทใดที่เป็นโรคมนุษย์เนี่ยเราก็แก้ไขา ย, ยากนะปัญหาใหญ่จึงเป็นปัญหาระดับศีล ถ้เราสังเกตว่าไม่ไม่ว่าจะมองในจุดใดก็าตามมันเป็นปัญหาระดับศีลธรรมเรียกว่าเป็นปัญหาระดับศีลธรรมจัญญาแต่ที่เป็นภัยเป็นอันตรายกระทบกระเทือนต่อสังคมที่เป็นส่วนรวมนั้นก็เกิดขึ้นมาจากขาดความสมบูรณ์ระหวังในศีลปัญหาศีลยังเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าคนแต่ละคนนะคือกรณีเราจะไปขาเกณฑคนทุกคนไม่ได้ มันเกิดขึ้นจากความสำนึกสำเนีจอของบุคคลนั้นเองที่ต้องสำรวมเองระวังเองงดเว้นเองไม่ล่วงละเมิดเองควบคุมอาการกายวาจาขตนให้เป็นปกติสุขปกติกายปกติวาจาการใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เพรนี่จึงสีทก็คือสิทธิเสรีภาพถามว่าสิทธิในอะไรสิทธิในชีวิตเสรีภาพในอะไรเสรีภาพในชีวิตส่นทรัพย์สินคู่ครองการรับฟังข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่องสิทธิแต่เราไม่ด้วงและเมื่กันเนี่ยคนก็อยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรดไม่มีภัยไม่มีอันตรายผลสิทธิห้าประการท่านจึงเรียกโมเบนจเบนนะพี่รัก แต่ในพระบาลีไม่ได้บอกว่าศีลอะไรนะฮะเราก็นับขึ้นไปจากศีลจะศีลห้าข้อนี่แหละแล้วพอไปถึงศีลนุบสุดคือยังนึกเล่นๆนะแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้เพราะบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่าชาวพุทธเราเวลานี้มีห้าสิบเจ็ดล้านเราก็คิดว่าเอาสัก สัก3ามสิบล้านนะนะมาช่วยกันสมาทานศีลบสุดสเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งเราจะสงหวนทรัพยากรจำนวนมหาศาลนะอาจจะส่งไปขายต่างประเทศก็ได้หรือออาจจะเอาไปช่วยบรรเทาทุกข์แก่คนนอกถึงก็ได้วันศีลที่จริงมันไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะสังคมอย่างเดียว แต่มันแก้ปัญหาเศรษฐกษิจแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาความมั่นคงสารพันปัญหานี้แก้ได้โดยการสบูรณระหว่างในสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโลกเรามันเป็นสังคมนะฮะและสังคมก็ไม่มีอะไรมันมีชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตมันก็ไม่มีอะไรอีกนะฮะนอกจากทรัพย์สังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ปูกครอง การติดต่อสื่อสารกันและการตกเป็นทาสิ่งเสียติดนั้นที่จริงเป็คนหาเรื่องให้แก่ตัวเองมันน่าน้อยใจอนะคือบางทีเราดูหน้าตาคนที่ขายยาบ้านเอหน้าตามก็ดีทําไมจิตใจก็เป็นอย่างนั้นทำไมจะละโมบโลบมากไปถึงไหนหจะเอาอะไรกันนักหนาทําทไมจะต้องสร้างความร่ารวยบนความพินาศเดือดร้อนของบุคคลอื่น คนตายไปเท่าไหร่คนเสียผู้เสียคนไปเท่าไรดับอนาคตไปเท่าไหร่โดยผู้คนที่ได้ผลนั้นมันน้อยเหลือเกินนะครเทียบกับประเทศชาติที่สูญเสียบุคลากรไปไม่ได้เลยคือเงินเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาในลักษณะนี้สมมติว่าเสียภาษีเนี่ยแม้แต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าไปบำบัดโรคคน ที่ติดยาเสพติดกับที่เป็นโรคเอดเนี่ยนะรายได้จากยาบ้าทั้งหลายเนี่ยไม่พอรายได้จากภาษียาบ้าทั้งหลายสมมติเราก็เสียภาษีถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่พอโรคคนเหล่านั้นถูกทําลายไปและทําลายอย่างโรคเอดเนี่ยไม่ก็ไม่สามารถจะฟื้นคืนด้วยยาบ้าก็กว่าจะฟื้นคืนได้เนี่ยต้องเสียเวลาไปมากมาย ตรงนี้ถ้าหากว่าคนสารวมระวังในศีลแล้วก็ส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่ในศีลอุโสถแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในศีนแลแปดเลยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมการผ่านวัยมามากแล้วก็เรียกว่าอยู่ในอายุเกษียณเนี่ย มันเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำดีว่าเหมือนกับใบไม้เหลืองที่กำลังจะหลุดจกคั่วภารกิจหลักก็คือการสะสมสเบียงคือกุศลเพื่อจะนำตนไปสู่สังสารวัตรที่มีความประณีตมากยิ่งขึ้นแต่การจะพูดถึงการให้ทานสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้สังคมอย่างนี้เนี่ยมันไม่ไหวหรอกคืออย่าเน้นไปในเรื่องทานในมาก แต่มาเน้นที่ศีลเนี่ยเน้นที่ธรรมะปฏิบัติทั้งหลายอย่างที่กล่าวไวเ้เน้นที่การมีสติสัมปชัญญะมีคันติโสฬ จ, จะแล้วก็มีศีลเป็นหลักแต่ว่าที่จริงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันก็เป็นศีลโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะเพราะติสัมปชัญญะมันเหนือศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตวิญญาณของมนุษย์ได้เลยศีลเป็นเพียงบทบัญญัติ เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของบุคคลอื่นดังกล่าวแต่ถ้าเราอยู่ยังมีสติสัมปญญาโดยสติสัมปญญะเนี่ยจะควบคุมความคิดเองช่วยให้ระลึกรู้อย่างมีสติมีปัญญา จาแนกแยกได้ว่าอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติมันก็กลายเป็นศีลไม่รู้สักกี่ร้อยขอ้อแนตรงนี้เคยมีภิกษุรูปหนึ่งท่านมีปัญหาในตัวเลขคือจํานวนศีลนี่ยมันท่านรู้สึกว่ามันเยอะเลยที่จริงท้านก็ไต่อันดับมาตั้งแต่รักษาศีลห้ารักษาศีลโบูโสดรักษาศีลแปรักษาศีลสิบ จนต้องการจะรักษาให้มากกิ่งกว่านั้นในที่สุดก็ขึ้นมาที่การบวชเป็นพระแต่พอบวชเป็นพระขึ้นมาเท่านั้นเองท่านรู้สึกวดสิกระบวชมันเยอะจังคือจะรักษายังไงก็ไม่หวัดไม่ไหวมันมีความรู้สึกคล้ายๆกับตัวเองไปนอนอยู่ใกล้น้ำกะดิ ก, กะเดีอะไรไม่ได้ จึงรู้จึงรู้สึกเหนื่อยหน่ายอึดอัดระอาไม่อยากจะครองเพศเป็นพิกษุต่อไปอีกแล้วก็ปรารถนาที่จะศึกจิตใจก็กระสันรันจวนถึงชีวิตคารวาจนพ่ายผอมก็เรียกว่ากระสันนะฮะภิษุกระสันจะศึกวันนี้ตามปกติก็คิดฟุง้งซ่านก็สงควรืหมกัน เพื่อนภกษุก็นาเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปคาพระพุทธเจ้ธธาพระเจ้าทรงมีพระญาณอย่างรู้นะว่าเหตุผลปัญหาเหล่าเนี้ยมันอยู่ที่ความคิดเฉยๆถามว่าเป็นไงรู้สึกว่าเสียมันมากไปเลยท่านบอกว่ารู้สึกประมากก็เกิดๆแล้วสั่งว่าถ้าอย่างนั้นรักษาสักข้อได้ไหมก็เดียวอย่างเดียวไม่ต้องรักษาหรอกท่านบอกก็ได้ พเจารับสั่งว่าให้รักษ า, าจิตยอย่างเดียวอย่าคิดไปในภายนอกอย่างอื่นถึงไม่ต้องรักษาพรานำห์ว่าจิตสติมาคือมีสติมีสมัมมชัญญาเนี่ยมันระลึกรู้ทันทีทันใดในแต่ละขณะอะไรควรเว้นควประพฤตินี่มันตัดสินใจได้ทันทีเลยแล้วก็ในสุดเป็นอัตโนมัติ คือการเคลื่อนไหวของท่านนั้นเป็นศีลโดยไม่ต้องสังรวมนะฮะคือมันเป็นอัตโนมัติไปคล้ายๆกับปฏิปทาของพระหารทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องนับเป็นสิกขาบทคือไม่ต้องนับเป็นข้อแต่ว่าจิตใจทันละกิเลสเป็นเหตุให้ละเมิดศีลได้หมดแล้วหลังการเคลื่อนไหวของท่านที่ก็คือเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรม อาการทางกายทางวาจาทางใจนั้นแสดงถึงความสงบในภายในเป็นสันต์กายโยสันต์วาโจสันต์มโนสงบอย่างสิ้นเชิงเราก็ไม่ต้องเอาสงบอย่างสิ้นเชิงเราเอาขนาดว่าสงบความรุ่มแรงของอารมณ์ไว้มันอาจจะผิดพลาดปกพร่องมันอาจจะเผลอเลอ ม, มันอาจจะขาดสติอะไรไปบ้างแต่ตั้งใจสํารวจระหว่ัง การตั้งใจสำรวมหว่วงนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครทำอะไรได้สมบูรณ์ไปตลอดหรอกมันก็ผิดผิ ด, ผดถูกถกูลงผิดลงถูกกันอยู่อย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าให้มีความตั้งใจพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันอาตมาเองก็เหมือนกันไม่ว่าใครงั้นนะ่ะนะคือไม่มีใครที่ทำอะไรได้ร้อยเอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องหกล้มหกลุกเป็นเรื่องล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ล้มอีกก็ลุกอีกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องถึงตามปกติแล้วถ้าหากว่าเราพัฒนาสติสัมปชัญญะไปถึงระดับพระสุดับันนะพระสุดับันนิศีนั้นสมบูรณนะ์ เห็นไหมว่าไม่จำเป็นจะต้องถึงระดับพระอาหารัรแต่ถ้าสามัญชนพยายามฝึกปรือสติสมัมปญญาให้มากจริงขึ้นศีลก็เป็นที่พึ่งของใจแล้วก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยศีลก็เรียกว่าศีลสมปันโนก็สมบูรณ์ด้วยศีลศีลก็จะเป็นเกราะจะเป็นอาวุธ ที่ป้องกันภัยอันตรายให้แก่ตนได้ต้องฟังทั้งหลายแต่หรวงปวธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเถึงแับนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี